ตอนจบของกรรมฐ า, าน40คือได้แก่อรูปสี่คำว่ารูปนี้ก็หมายถึงว่าการพิจรารณาไม่มีรูปเพราะนั้นว่าเรืกรรมฐ า, าน40ไม่จบกันวันนี้อรูปสี่ก็ได้แก่อรูปประชันที่เคยทราบกันอยู่แล้วว่าบุาคคลใดท่านได้อรูปประชัน แม้ถ้าเวลาจะตายทรงจิตอยู่ในรูปฌานตายแล้วก็เป็นรูปประกมอย่างกับท่าอาจารย์ทั้งสองเขาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านอาราดาบุตรท่านทั้ทักดาบุตทั้งสองท่านในเวลาจะตายแท่งเข้าฌานเป็นรูปฌานเพราะเวลานั้นคำว่านิพพานยังไม่หมี่ต่อมาองค์สมเด็จพระจีเนสีส่งค้นคว้าถึงอริยสัจ พออารมณ์ของพาะนิพพานแล้วองสมเด็จพระบัณิตแก้ว <c oughs> จิงได้สทรงระลึกถึงทราอาจารย์ทั้งสองว่าหักว่าท่านอาจารย์ทั้งสองพูดทรงรูปฌานถ้าฟังบธรรมเทสนาเขาองสมเด็จพระพิชิตามารเพียงโดยย่อเพียงจบเดียวไม่ต้องเทศมากก็จะได้มรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลทันที ทางนี้เพราะว่าอารูปฌานมีอารมณ์ละเอียดคล้ายๆพระนิพพานแต่ได้ว่าท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอรูปแบบพรมเป็นพรมที่หาอายตนะสําหรับเห็นและสําหรับฟังไม่ได้แล้วสมเด็จพระองค์สมเด็จพระไตทีแก้วจึงได้ทรงพระดำริว่าอาจารย์ของเราทั้งสองเป็นผู้ชิบหายจากความดีเสร็จแล้ว คำว่าชิบหายจากความดีก็หมายถึงว่าไม่มีโอกาสที่จะได้รับความดีต่อไปต้องเป็นพร้มอยู่อย่างนั้นจึงกว่าจะหมดกําลังของชัยก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นที่น่าเสียดายคนที่จะได้บรรลุมรรคผลก็ไม่ได้สําหรับสําหรับอรูปฌานนี้ถ้าหากว่าบุคคลนังหลายผู้มีความฉลาดในการปฏิบัติแทสองจิตเข้าถึงอรูปฌาน แล้วก็ใช้วิปสัสสนาญาณเขาองค์สมเด็จพระพิชิตามารเขาช่วยก็มีเวลาไม่ชา้าก็จะได้สําเร็จอาณาักรผลถ้าสาเร็จเป็นพระได้เจ้าตั้งแต่พระนาคา ม, มีขึ้นไปก็จะได้ปฏิสัมพิทายานจัดว่าเป็นฌานที่มีความสําคัญมากไม่ยามปกติองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าก็ทรงใช้ เวลาที mo, su, ie, ่องสมเด็จพระจอมไตรพรมศาสนาจะทรงดับขันธ์เข้าสู่ทัาปริญญาก็ทรงเริ่มเข้าตั้งแต่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่เป็นรูปฌานห้าหกเจ็ดแปดเป็นอรูปฌานเมื่อจิตเข้าถึงอรูปฌานมีอารมณ์ละเอียดระงับทุกขเวทนาในถึงที่สุดจิตนั่งจิตมีความสบาย เพรว่าทุกเวทนาทางกายไม่สามารถจะรบกวนใจได้เมื่อทรงอยู่เมื่อจิตมีความสมบายเต็มที่องค์สมเด็จพระมหามุนีก็ถอยลงมาอยู่ในฌานสี่ของรูปฌานซึ่งเป็นฌานที่จะพึงออกจากกายหลังจากนั้นดวงหาไทยขององค์สมเด็จไปจอมไตรบริมาศสัญได้ที่เต็มบริสความบริสุทธิ์ก็เคลื่อนออกจากพระวรากายไปสู่พระนิพพานยุง่งไหม ก็ฟังอย่างนี้รู้สึกว่ายุ่งไหมที่พูดมันแล้วพูดเป็นจำนวนตำราฟังแล้วอยากจะหลับแต่ท่านอยากจะหลั บ, รบรรพระปลากรวยทราบพเวลานี้คนพูดอยากจะหลับเพราะมันเพลียเอาได้ก่อนอยาจะหลับก็พูดกันซสร็จจบได้ก่อนก็เรียกฟังคนอยากจะหลับพูดก็แล้วกันมาพูดถึงการปฏิบัติในะรูปฌาน เรื่องการปฏิบัตรริในรูปวิชานจนถึงก็ต้องถึ ง, ง, ถงปิ ป, ปฏิสัมมิทายานวันนี้คงไม่มีเวลาพูดและจะมีเวลาก็ไม่ทราบถ้าไม่มีเวลาจะพูดแล้วก็อยากจะรู้ก็ไปดูโน่นสมาบัติแปดซึ่งมีคัดเสร็จอยู่แล้วถือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแปดก็ได้พูดถึงปฏิสัมมิทายานไปเลย เพราะตามธรรมดาท่านพูดส่วนใดพูดทั้งฌานโลกีก็ยะพูดทั้งฌานโลกกตระไว้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยให้มันดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสนใจจะได้หาได้ง่ายๆไม่ต้องไปวิ it, ouais. ch season, ่งไปหาใหม่อีกชิ้นหนึ่งสำหรับอรูประชาในมีสี่อย่างครือ 1. หนึ่งอากาสานัญจายตนะพิจารณาอากาศสองวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ สามารถกินจ anyway. ัญญาญตนะพิจารณาว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือสี่ในว่าสัญญาณาสัญญาญตนะเป็นตัวจบเรือว่าในเมื่อวันรู้แล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือก็เลยทําเป็นคนที่มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาร่วมกันจะว่ามีความจําไอ้สัญญาแปลว่าความจําะว่ามีความจําก็ไม่ใช่ไม่มีความจําก็ไม่ใช่คือใจไม่ติดใจอะไรทั้งหมด สำหรับที่ท่านฝึกอารูณประชานสี่ก็เพราะว่าเป็นคนที่เห็นว่าขึ้นชื่อว่าโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกทั้งหลายแหล่ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญความหิวเกิดขึ้นกับพระรูปความหนาวความร้อนความกระหายใดๆเกิดขึ้นกับพระรูปความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นกับพระรูป การถูกนินทาว่ารายการสนเสริญเยินยอความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นกับพารูปในการตายที่เข้ามาถึงก็รูปรูปพันตายเป็นอนุว่าการที่เป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดที่ไม่เกิดขึ้นกับเราก็เพราะอาศัยรูปเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาหิวอาหารถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาปุจจารปัสวะ ถ้าเราไม่มีรูปจะเอาอะไรมามีความนุ้สิกว่าหนาวว่าร้อนถ้าเราไม่มีรูปจะเอาความป่วยไข้ไม่สบายมาจากไหนถ้าเราไม่มีรูปจะความตายมาจากไหนเป็นอันว่าบรรดาท่าน่างหลายที่เจริญอรูปฌานนี้ท่านเป็นคนไม่ต้องการรูปเห็นว่ารูปเป็นโทษนี่คล้ายอารมณ์พระอราหันต์ไหมบรรดาท่านทางหลาย ได้ยพูดกันไปจริงๆแล้วก็บางทีบางคนว่าทำเขาทั้งจุดนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นพระรหันต์เพราะอะไรเพราะในวาสัญญาณาสัญญาญต น, นะมันก็ได้แก่สังขารุปเปฆายานมีสภาพเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ตัดจริงท่านเฉยเอาเฉยคือไม่รู้ไม่คิดไม่ได้ตัดไม่ได้สังหารศัตรูให้พ่นาดไป เป็นแต่เพียงแบบันศัตรูจะมามาอย่างไงก็ช่างฉันไม่เปิดประตูรับเท่านั้นเองเนื้อศัตรูเธอกินเลสมันก็คอยอยู่หน้าประตูถ้ามีโอกาสออกไปหามันมาอะไรมันก็ฟัดเมืนั้นฉะนั้นที่ท่านดีทรงแลอารมปชันยังไม่ใช่พระหัตเ์พระเป็นชานโลกีอารมณ์ชานโลกีในนี้มันมีการขึ้นการลงสุดแล้วแต่ร่างกายอย่างนึ ส่วนแรกแต่กําลังใจอย่างหนึ่งยังต้องระมัดระวังเหมือนกับคนที่เกาอที่จับเสือกดคอเสือเขไว้หือว่ามัดเสือเขไว้ถ้าเผลออะไรมือหลุดด้วยที่มัดมันหลุดเสือกัดตายเหมือนั้นเป็นนั้นไวชาร์โลกีไว้ใจอะไรไม่ได้ ดั่นั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนสาเมื่อทรงศึกษากับพระนอาราดาบทและทกันดาบทท่านก็ได้สมาบัติแปดเหมือนกันแต่พระองค์สมเด็จพระพุทธรามานทรงพิจารณาแล้วว่าโอ๋นอสมาบัติแปดนี่เป็นชาละเอียดจริงแต่ก็ยังไม่ยิ่งไปกว่ากี่อํานาจของกิเลสยังไม่สามารถจะตัดกิเลสเป็สมุทเฉติประหารได้ยังมีปัจจัยแห่งความเกิดยังไม่พ้นทุกข์ ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จตรสสัมมาสัพพุทธเจ้ายังได้ทรงลาท่านอาจารย์ดังสองไปสแสวงหาด้วยพรองค์เองยังได้มาใหม่คืออริยสัจสี่เป็นเครื่องตักกิเลสเป็นสมุดเฉทประหานมีฟังไปแล้วก็ระวังให้ดีนะเพาคนพูดหง่วงนอน ความจริงไม่ได้ง่วงมันเพลียจักวันนี้มันร่วมงานมันหนักกลคืนก็ไม่ค่อยได้หลับไม่มีเวลาหลับไม่เต็มชั่วโมงดีที่แล้วมามาตอนนี้หนังตาบนมันก็หนักหนังตาล่างมันพุ่งออไปหนังตาบนมันกดลงมาแต่ก็พยายามแข็งใจพูดมันจะไปท่าไหนกันบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงอาการของชาญสี่เวลามันไม่มากนัก ได้ความจริงมากไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่แนะนำกันผลที่จะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ท่านและผลมันไม่ใช่อยู่ที่คนพูดคนพูดมีหน้าพูดคนฟังมีหน้าที่รับฟังฟังแล้วปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็เรื่องของท่านหรือว่าท่านนำไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของคนพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงตัดว่าอาคาตาโรตถาคตา ตาถาคดไป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านทาตามถึงขั้นมันก็มีผลท่านทาตามไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีผลแลไม่ทาตามเลยก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลย <c oughs> เป็นอันว่าสิ่งต้างหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่มีความดีหรือไม่มีความดีได้มันอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนเป็นเพียงชี้แนวทางเท่านั้นแล้วแนวทางการสอนนี่ก็เป็นขององค์สมเด็จตัสมมาสัพพัทเจ้าทั้งหมดตงแต่ต้นมาแล้วไม่ใช่ของผมเลยผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาพูดให้ฟังแต่พูดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองท่านพูดดีกว่านี้มากท <c oughs> ีนี้ก็มาคุยเรื่องตัวคนชานเลยนะ อาการสารัญจายตนาชานก่อนที่จะเจริญอรูปฌานโอ้ลืมบอกไปนิดหนึ่งว่าอรูปฌานสี่นี้เป็นกรรมฐานกลางทีกรรมฐานกลางกลางจะใช้ได้กับคนพุทธิชมีอยู่สิบอย่างตดือหนึง่งปทวีเกสินธาตุดินสองอาโปเกสินธาตุน้ำสามวายโยกับินธาตุลม สี่เตโชกสินธาตุไฟห้าอากากสินอากาศเสธาตุหกอารมกสินแสงสว่างเจ็ดอากาศสารัญจายตนะแปดวิญญาณัญจายตนะเก้าอกิจัญญายตนะสิบเนวสัญญานาสัญญายตนะสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานกลางไม่เลือกจริญเขบุคคล บุคคลที่จะมีจริตอย่างใดก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลเหมือนกันหมดก็าจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ทุกอย่างสําหรับกรรมฐานที่เหมาะกับจริตในหกอย่างนั้นมีเป็นกรรมฐานสามสิบกองแต่ดู ว, ว่าสําหรับนอกจากสามสิบก็อีกสิบพระพุทธเจ้าทรงวางไว้บอกว่าทุกจริตปฏิบัติได้อันนี้เป็นความรอบครอบของโลก ก็จะพูดกันไปเลยอยากจะรู้เรื่องจริต ก, ก็ไปดูคัศจจริต ก, กันแล้วกันเลสีเวลาเปล่ า, ลานี่การที่จะเจริญอรูปปัจจานีต้องได้กสินอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนอย่างเดียวแบบศึกษาในทิฏฐิขุญานไม่ต้องได้กสินมากเอากสินอย่างเดียวแต่ความจริงัได้กสินอย่างเดียวได้กสินสิบกองนี่มันก็เท่ากันผพไม่เห็นมีอะไรยาก แต่กล่องแค่กองเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเก้าอย่างมันก็กล้วยน้ำว้าสุกเท่าเดียวเดียวมันก็ได้อารมณ์มันเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันแตกต่างแต่สีลักษณะเท่านั้นไอแบบที่เรากินข้าวเป็นที่อย่างเขาจะใส่จานมาแล้วก็กินได้ใส่ชามมาแล้วก็กินได้ใส่โถมาแล้วก็กินได้ใส่กระท้มมาแล้วก็กินได้ใสก่ ก, ก, สกระมังมาแล้วก็กินได้ มันก็กินได้อาการกินมันเหมือนกันแปลกกันแต่ผ้าชนะเท่านั้นในกรสินสิบอย่างนั่นก็เหมือนกันอารมณ์มันทรงตัวอย่างเดียวกันแปลกแต่แต่ว่านิมิตรที่จะปรากฏเท่านั้นเองมันของกล้วยๆีการชำนาญในกรสินหนึ่งแล้วก็ต้องชำนาญในกรสินอีกเก้าโดยรวมเป็นสิบถ้าปล่อยทอดทิ้งไว้โดยไม่สนใจคิดว่าเก้าอย่างไม่มีความหมายผมไม่ว่าแท่โง่หรอก ก็คิดว่าท่านฉลาดไม่พอก็ทำอย่างเดียวมันยากถ้าตอบไปไม่ง่ายใช้เวลาน้อยกว่าทำอย่างเดียวคล่องถึงเยอะแยะ <c oughs> ถ้าอย่างเดียวคล่องจริงๆเข้าชั้นออกชันในตามสมบายจะเมื่อไรก็ได้แล้วก็ที่เก้าอย่างนั้นความจริงผมให้เวลาอย่างมากๆทักสิบวันไปไงมันไม่ถึงไม่ถึงเลย วันหนึ่งก็รวบภาพไปตั้งดีไม่ทีจบเลยที่ก็ทํากันจริงๆนะที่ผมเคยบอกให้เวลาไปเดือนสองเดือนผมก็พูดส่งไปสำหรับคนขี้เกียจแต่คนก็ยันเอาจริงอาจังแล้วว่าพูดพาดพูดพลาดพูาดดีวันเดียวละสิอีกเก้ากองไม่เหลือเลยมันก็เป็นอารมณ์มันเดียวกันมันไม่มีอะไรแบบกินข้าวนั่นแหละ มันจะมาชามแบบไหนก็ช่างมาเถอะก็กินเหมือนกันตักขมาใส่ปากเคี้ยวเค้ยวเกลือนมันก็หมดเรื่อง mm hmm. ไอ้ภาชนะนี่เราไม่ได้กินเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้สําหรับกสิงก็เหมือนกันอารมณ์มันอย่างเดียวกันไม่จะแตกต่างกันยังไงแล้วพูดกันไปจับกระสิงกองใดกองหนึ่งขึ้นมาตามที่คล่องแล้วจับนีิมิตขึ้นมาให้ทรงชันสี่จะไม่บ่นไม่ยากนะถ้ายากแล้วมันแยมใช้ไม่ได้ แต่ยังกระสินยังยากอยู่ยัง ม, มาหยิบอรูปฌานเมื่อจับภาพกระสินทั้กสินนิมิตทั้งฌานสีส่ทรงตัวมันก็ทรงอยู่แล้วอะคล่องนี่มันนึกบนไรปั๊บเดียวไม่เสียเวลาแม้แต่ซึ่งวินาทีปรากฏชัดเพล็ภาพกระสินหายไปปฏิบัติในอากาศสารนันจากเจตนะจับอากาศขึ้นมาแทนถือว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้ชั่นใด ไอ้ร่างกายของเราที่จะเกิดเองมันก็หาที่สุดไม่ได้ฉะนั้นไม่กันฉะนั้นร่างกายนี้นั้นถือว่าเป็นศัตรูใหญ่สําหรับเราเราไม่ต้องการมันอีกอย่าลืมนะว่านี่ผมประสมมิปสนานด้วยนะว่าไปเลยกินทีเดียวไม่ต้องไปเติมน้ําปลาไม่ต้องเติมน้มําส้มไม่ต้องเติมก็น้ําตาลใส่มันไปพร้อมไปเลย <c oughs> เห็นว่าร่างกายพวกเรานี่มันก็มีสภาพกว้างใหญ่ไปสาลในการเกิด ถ้าเรายังเกาะติดอยู่ในมันอยู่เรายังมีความพอใจอยู่ยางมันในบันยูมันก็เกิดแบบนี้ให้เป็นทุกข์แบบนี้อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเราไม่ต้องการเราจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีสภาพเหมือนอากาศคือมีลมว่างจากจิตของเราเราไม่ต้องการร่างกายอีก ร่างกายอย่างนี้ไม่เอาอากาศมีความกว้างใหญ่ไฟสันหาที่สุดมีดายชั้นใดเราก็ไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการร่างกายเหมือนกับอากาศในอากาศที่ไม่มีก้อนดินชั้นนั้นไอ้ร่างกายเหมือนกับก้อนดินความรู้สึกเราเหมือนกับอากาศเราก็ถือว่าอากาศในวงกันอากาศนี้กินในจิตใจของเราไม่มีก้อนดินที่ร่างกายติดใจอยู่ เท่านี้ให้จิตทรงสี่พิาราฌานสี่เป็นเอกาตาลมัทโทวันเดียวก็ได้ไม่ใช่วันเดียวระคราวเดียวครั้งเดียวตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงสิบนาทียี่สิบนทีก็แปวแล้วอารมณ์มันทรงตัวจิตมันทรงจนตั้งการชินจะอยู่จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ตามจิตใจไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเสแล้ว เราไม่สนใจร่างกายเหมือนกับเราไม่สนใจอากาศาอากาศด้ความจริงเราไม่ได้สนใจมันมันจะเป็นหลุมบันบอในอากาศที่ไหนยังไงเราไม่รู้เราไม่เคยสนใจไปแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆไปชั้นใดอารมณ์ใจที่โกพันในอากาศสานันใจยตนะก็เหมือนกับใจที่โกพันอยู่ในอากาศคือมันมีสภาพว่างรวมความความต้องการในร่างกายไม่มีอีก ต่อไปเส้นชีวสาร่างกายที่เป็นวัตถุธาตุอย่างนี้จะไม่มีสํำนึกยันสำนักจิตเราเราจะปล่อยจิตของเราให้ว่างเฟ้งคว้างอยู่ในอากาศเสม่เกาะอยู่กับกายเท่านี้ไม่มีอะไรยากและใเมื่อการอย่างนี้คล่องพอ้โหใจคล่องจริงเอาอย่างช้าที่สุดก็สามวันมันก็คล่องความจริงมันคล่องตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าชาดสีมันทรงตัว ไอชั้นแปดเนีนี่มันไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ช้นแปดชั้นเปิดมันชั้นสีคือจับรูปให้ทรงอยู่ในชา้นสี่ไอชัานจริงๆก็ชั้นสี่นั่นเองแต่จับส่วนที่ไม่มีรูปเท่านั้นนี่พูดกันตามแนวปฏิบัติมีต่อไปก็วิญญาณังจายนนะไอวิญญาณนี่ก็าเท่อความรู้สึก ถ้ายังมีร่างกายอยู่เพียงใดก็มีความรู้สึกห่วงว่ามันหิวมันร้อนมันหนาวมันกระหายมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้จึงจะเหมาะสมไอ้วิญญาณความรู้สึกนี่ตัดไปเสียบอกอยา่าไปยุ่งกับร่างกายของมันร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันเถอะ มันจะกินเชิญมันกินไปก่อนมันจะนุ่งผ้าเชิญมันนุ่งไปก่อนมันจะพกหัวเชิญมันพกไปก่อนเท่าที่มีเท่าที่หาได้ไม่กระเสกกระสนเพราะอะไรเพราะว่าชิ่นชี้ความรู้สึกทางกายนี้ไม่ได้มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าจะปนเปื้อร่างกายมันจะเพียงใดก็ตามทีมันก็แก่มันก็ตายอยู่เแถวนี้มันก็มีทุกข์ ถ้าเราไปสนใจมันมากเกินไปมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์เพราะไม่สามารถเจลิกเล่นมันได้นี่ก็เลยทําใจไม่สนใจกับความรู้สึกทางกายที่เรียกันว่าวิญญาณเสียมันจะรู้สึกยังไงก็ช่งางพงกมันใจไม่เอาด้วยแล้วแกอยากแกนุ่งแกงสวยๆแกก็ไปหาเอาสิฉันไม่ไปแกอยากจะกินหมูเห็ดป็ดไก่ ก, ก็เชิญไปหาเอาฉันไม่ไป ในเมื่อใจมันไม่ไปที่อย่างเดียวกายมันจะไปได้ยังไงก็รวมความว่าทำลายความรู้สึกทางกายเสียด้วยกําลังใจที่เรียกว่าวิญญาณคือความรู้สึกเ้าความรู้สึกอันนี้ที่เกิดขึ้มนมาจากจิตใจเข้ามาผัดผ่ายความรู้สึกทางกายที่เรียกว่าวิญญาณเกาะกายไม่สนใจในกายไม่สนใจในความตา้องการของวิญญาณคือความรู้สึกอั่นี้ ที่ว่าเสี่ยงทั้งหลายเหล่านี้เป็นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภยัยทำอันตรายแยก่ความสุขจิตไม่เอาแล้วปล่อยไปเสยนี่ต้องจับภาพกะสินเพื่อให้ทรงกันก่อนนะทุกทุกฌานจะทำทีไรย่าทำคราวใดก็ตามต้องจับภาพกะสินให้ทรงขึ้นก่อนเพื่อเป็นการซ้อมกำลังสมาธิของจิต เมื่อกำลังเขาก็สินส่งตัวดีแล้วตอนนี้ก็เอาล่ะก็ว่ากันว่ากันยังไงก็ว่ากันไปเลยว่ากันส่งเดชไปตามที่ว่านะต่อมาชั้นที่สามอักกินจัญญายจตนะที่ตรงนี้ก็จับภาพกสินให้ส่งตัวซะก่อนเรื่องภาพกสินนี่ทิ้งไม่ได้จะเป็นกระสินอะไรก็ไม่ว่านะทั้งหมดเนะี่ย อันนี้มีเมื่ภาพกะระสินปลากฏแล้วก็ถอนภาพกรสินทิ้งใช้อารมณ์คำคำว่าไม่มีปลายกดขึ้อกิตมองไปดูในอากาศอะไรมันมีบ้างในอากาศเบว่างบ้างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยอันนี้หันเข้ามาดูสัตว์บางคนและวัตถุต่างๆที่เกิดมาในโลกมันก็มีสภาพว่างเหมือนกับไม่มีอะไรในอากาศ าะมีคนคนมันก็ตาย ม, มีสัตว์สัตว์มันก็ตายมีอาคารบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนมันก็พังจะมีต้นไม้ต้นไหลมันก็ตายไอ้ที่มันมีขึ้นใมขาดสายก็ว่าสร้างขึ้นมาใหม่ของเก่ามันหมดแล้วในเมื่อเราไม่พอใจในร่างกายเสร็จแล้วก็เอาจิตไม่เข้าไปยึดถืออะไรทั้งหมดที่ว่าโลกนี้ทั้งโลกที่เป็นบัตถุที่ปรากฏทั้งสิ่งที่มีชีวที่ปรากฏ เรากำหนดจิตว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยเอย้ความจริงนี่มันก็คล้ายวิปัสนาญาณมันเชี่ยเกียวนี้เตียวห่างกันชั่วเช่นผมผ่าสิบหกในเมื่อมีอารมณ์ชินอย่างนี้แล้วจิตมันก็มีสุขยิ่งขึ้นอะไรที่มันปรากฏ ข, ขึ้นมาก็ถือว่ามันไม่มีแล้ว อยกินก็ฉังมันนัอนไรก็ฉังมันให้ร่างกายไม่เฉลียวไม่ชั่วเราเหมือนกับบ้านเช่าที่เราอาศัยชัวย่วคราวถ้ามันจะพังก็เชิญพังต่อไปมันก็พังหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือโอ้ยเหมือนมิปัสนายญาณเปรียบต่อไปตัวทไายตัวนี้ชนานาญแล้วตัง้งตั้งนี้ไม่เกี่สิ่งให้มาจับอรมณจิต ไม่มีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแต่เราจะมีจิตผูกพันมันทาไมต่อไปมันหนาวมันร้อนมันเย็นมันสบายไม่สบายมันหิวมัาก็หายอาศัยร่างกายเป็นสำคัญแล้วก็ทำใจเป็นสุขเสียคือไม่สนใจจ้ทางกายต่อไปที่ได้กล่าวว่าเป็นคนมีสัญญาคือความจำก็เหมือนว่าเป็นคนไม่มีความจำ แต่จําจะจำ ม, มันทำไมเดี๋ยวมันก็พังหมดเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกว่ากางเกงตัวนี้มันผุแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดหมดเราก็หากางเกงใหม่ต่อไปที่มันมีสภาวะดีกว่านี้ไอ้ความสนใจในกางเกงตัวนี้มันก็ไม่มีมันสนใจกางเกงตัวหน้าคือความว่างจากจากสภาจาก ข, นาขันห้าที่ร่างกายความรู้สึกอย่างนี้จะมีขึ้นมาเมาืาไร แล้วก็ทำใจให้มันทรงตัวอยู่ในซานสี่เพราะนั้นว่าสมาบัตแปดนี้นี่ครูปประชันสี่รูปประชันสี่ถ้าเราทําได้เข้าถึงที่สุดพอเป็นเป็นพระอนาคามีแล้วก็ได้ปฏิสัมพิทายานการเป็นพระอรหันต์นั้นมันขอไม่ยากถ้าพระอนาคามีได้ฌานแปดแล้วแต่ความจริงท่านที่ปฏิบัติได้สมาบัตแปดไม่เห็นมีใครค้างอยู่ขั้นพระอนาคามีเลย ถ้ามาปฏิบัติวิปัสนาญาณยังไม่เคยเจ็บประวัติพราะอารมณ์ใจโขนชานแปดในรูปฌานสีนี้มันเหมือนกับวิปัสนาญาณขาดโยตัวแตกกันห้าจริงๆนิดเดียวเท่านั้นถ้าเจอวิปัสนาญาณไม่นานนักก็เสวอลาตาคลเป็นพราอริยบุคคลที่พร้อมไปด้วยปริสัมภิทธายานอรัดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่าน เวลาที่แนะนำกันมันก็หมดแล้วอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปดูทักเสดที่มีไว้ที่วาดวาตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นแปดมีสามทัศเสดประโยชน์ก็จะมีกับท่านวันนี้ขอลาก่อนเพราะเวลาหมดแล้วขอความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจพนิพพานจงสำเร็จแก่ทุกท่านสวัสดี